อนุปาทฏฐานวะตถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมะติดตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจเจตาประเหติปราตาตาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมทานนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทับปจัจจยตาในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาทำจิตให้สงบกันในช่วงของจิตตะวิเวกในรายการธรรมรับรุณตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูณ์อาภิปุณโญในทุกวันการกรามีนัดกันที่จะมาทำจิตให้สงบ ฝึกปฏิบัติกันไปร่วมกันในบูฟังในวันนี้เราจะมาใกล้กรวนธรรมะคือการเจริญธรรมานุสติการเห็นธรรมในธรรมเห็นความไม่เที่ยงในธรรมทั้งหลายการที่เราจะมาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆได้มันต้องเอาใจจดจ่อบูฟัง ตอนนี้ให้เราเอาใจจดจอ่อมาในหัวข้อของความไม่เที่ยงของความที่เหมือนเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นเหตุเป็นผลกันทุกอย่างในโลกนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัย สิ่งอื่นปัจจัยอย่างอื่นมาแล้วเหมือนจึงเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้คมว่าโลกนี้หมายถึงโลกหนาด้วยคำว่าโลกนี้หมายถึงสิ่งที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจอะไรที่เรารับรู้ได้นี่นะมันเป็นโลกทั้งหมดอนะอะไรที่เรารับรู้ไม่ได้มันจะไปอ้างอิงถึงว่าเป็นโลกได้งไง มันก็ไม่ใช่เพราะเราก็จะมีรู้เรื่องอะไรก็มันเลยจะให้เกิความเข้าใจนี้ได้เริ่มต้นก่อนบ้างเรามีสักที่ใดที่หนึ่งที่เราจะตั้งจิตตั้งสติของเราไว้ในทีน่นี้ข้าพเจ้าก็แนะนำหลมหายใจเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าก็สอนมาตามที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาสอนมาให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็มาสอนท่านผฟังต่อไปท่าูฟังก็ตรวจสอบดูด้วยว่าสิ่งนี้นั้นตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ถ้ามันตรงกันสอดคล้องลงรับก็ตั้งปฏิบัติทำต่อไปให้มันดีงามเริ่มต้นจากการมาสังเกตลมหายใจถ่าฟังลมหายใจเข้าลมหายใจออกวันนี้เรามาดูลม ลมหายใจใครว่าเป็นสมถะเท่านั้นไม่จริงถ้า ง, งั้นพระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมได้ไงท่านก็เจริญอาณาปานาสติท่านเจริญอาณาปานาสติจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยาณอาณาปานาสติมันก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในตัวอยู่ดีว่าเราจะมองด้านไหนตอนนั้นเองวันนี้ท่านบุฟังจะได้มองเห็นมุมด้านวิปัสสนาของอาณาปานาสติ เริ่มจากการที่เรามาตั้งจิตไว้อยู่กับลมก่อนเราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ต้องเอาจิตของเรามาจดจ่อลงไปในสิ่งนั้นจิตเราจะมาจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราก็ต้องเพ่งเราก็ต้องกําหนดดูครูบาอาจารส่วนใหญ่ท่านจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่เพ่ง จะนิยมใช้คำว่ากำหนดเพราะว่านี่เป็นจุดอ่อนทางด้า น, น, นภาษาทูกฟังภาษาไทยนี่พอใช้คำว่าเพลงเพิ่มนี่มันจะกลายเป็นบังคับแบบข่มกูกูเกนกันไปเลยถึงใช้คำว่ากำหนดถึงจริงก็มาจากรากศัพท์ของคำวิชาลซึ่งมันก็คือการเพ่งนั่นแหละแต่ไม่มีกา ร, ารบังคับตอนนั้นเพียงให้เราแค่สังเกตดูเฉยๆสังเกตดูลมหายใจ ที่ผ่านออกผ่านเข้ายัางเป็นธรรมชาติธรรมดาเราไม่ใช่เข้าก็รู้เราไม่ใช่ออกก็รู้รู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวอยู่ในบริเวณโลงจมูกณนะจุดตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้จะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้บริเวณนั้นแหละทุกฟัง ไม่มีเนื้อเยื่อที่ละเอีดอ่อนอยู่เราตั้งจิตของเราไว้นะที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามความคิดมีความคิดนึกใดๆมาเราไม่ตามไปก็ามันไม่ตามไปนั้นคือไม่ใช่ไม่คิดนะไม่ตามไปคือไม่เพลินไปมีความคิดเกิดขึ้นไม่เพลินไปตามความคิดนั้นมีเสียงได้ยินอยู่ ไม่เพลินไปตามเสียงนั้นมีกลิน่นมีรสมีอะไรต่างๆผ่านมาเราไม่เพลินไปตามสิ่งนั้นจะไม่เพลินได้มันต้องมีที่ผูกจิตของเราใช้ลมหายใจนี่ไงผู้ฟั่ ง, งจะไม่เพลินได้ต้องมีที่ระลึกถึงแห่งจิตของเราก็ใช้ลมหายใจนี่ไงทูกฟังจะว่าที่จิตของเรามันนึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่ ความระลึกได้นั้นคือสติเป็นเรื่องผูกจิตไว้อยู่ทันทีให้ไม่เปลินไปตามความคิดที่มันเกิดมีมาให้จิตเราไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นให้จิตเรามีเรื่องอยู่มีที่อยู่มีที่กาหนดมีที่ระลึกถึงการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสติ ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำอยังเป็นธรรมชาติตามฝังไม่ต้องบังคับลมให้เร็วช้าสั้นยาวที่ห่างอย่างไรธรรมชาติก็มันเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดแต่าบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวให้ทำเป็นธรรมชาติก็มันเองมันจะคิดก็คิดมา แต่ไม่เพลินไปมันจะได้ยินอะไรมันจะมีกลิ่นอะไรก็มาแต่เราไม่เพลินตามไปเหมือนหูน่ะตัวฝั่งมันมีหูถ้ามีเสียงไงมันต้องได้ยินน่ะเพราะถ้าหูไม่หนวกใช่ไหมล่ะหูปกตินี่มีจมูกนี่ถ้ามีกลิ่นมายังไงมันก็ต้องได้กลิ่นน่ะถ้าไม่มีกลิ่นมันก็ไม่ได้กลิ่นอยู่ละแต่ถ้ามีกลิ่นยังไงก็ต้องได้กลิ่นปะ เหมือนกันเรามีช่องทางใจมื่ที่มันมีความคิดขึ้นมาถ้ามีธรรมารมยังไงมันก็ต้องมีความคิดธรรมารมมันก็เรื่องราวต่างๆมากในชีวิตของเรานี่นแหละบางทีก็มีมาก็ธรรมดาแต่มีมาแล้วไม่เพลินไปมีมาก็มาตั้งอยู่ก็อยู่จะให้ไปหรือไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้มีที่ตั้งที่เราถึงของจิตอันนี้ต้องซ้ากันอยู่เรื่อยนะทังเพราะว่าความเพลิน มันมีกําลังมากตอนนี้ได้อยู่ที่ปั๊บมันเพลิ่นไปแลลืมลมไปล้วจะไม่เปลิ่นก็อย่าลืมลมเพราะความเพลิ่นกับความเผลอเหมือนกันความเพลิ่นกับความหลงลืมเหมือนกันถ้าเปลินก็ลืมถ้าเปลิ่นก็เผลอแต่ถ้าจะไม่เพลิ่นก็คือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมถ้าจะไม่เปลิ่นก็คือไม่เผลอ เปลคือจำได้จำได้ก็คือระลึกได้ระลึกได้ก็คือสติไง่ายไม่เพลินก็คือมีสติมีสติก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมในขณะที่มีความคิดนั้นก็มีสติอยู่กับความคิดไงไม่ลืมลมในขณะที่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้กลิน่นก็คือไม่เพลินไงเหมือนสัตว์มันผูกอยู่ที่เสามันจะวิ่งยังไงมันก็อยู่ที่เสานั่นแหละ นีไปไม่ได้จิตเราจะไปรับรู้ความคิดได้ยินเสียงนั้นนี่มันเพลินไปไม่ได้ถ้ามันไม่ลืมลมเนะี่ยถ้ามันลืมล้มสิมันจะเพลินไปตามเสียงตามความคิดนึกนันได้ไม่ลืมไม่เบลอไม่บังคับตั้งใจใดีกำหนดรู้ไวให้แน่วแนว่ราตึกให้ได้จดจ่อไว้เหล่านี้เป็นคําเดียวกันเพราะเราตั้งไว้ นี่คือมีฐานที่ดีล่ลก็เรือสติปัฐานมีฐานที่ดีมีที่ตั้งที่ดีให้เรามาดูที่ตั้งกันนี้เป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาของธาตุทั้งหลายน ะ, ะทุกฝั่งตัวธาตุนี้คือหมายถึงเป็นหน่วยเล็กที่สุดไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรถ้าเราจะแบ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะ ปรุงสรร์ปั้นแต่งอะไรขึ้นมาเป็นรถยนต์คันหนึ่งเป็นปากาด้ามหนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นอาหารจานหนึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้ น, นมานี่ในทางสิ่งที่เราจับต้องได้นะทุกฝั่งนะคือของแข็งของเหลวกา๊าซดินน้ำไฟลมเป็นท่าตสี่เหล่าเนี้แล้ววิทยาศาสตร์เขาก็พยายามแบ่งออกให้เป็นหน่วยเล็กที่สุดดูซิว่ามันมาจากอะไร แต่ในตัวคนของคนคนหนึ่งกับบารก์กรอบด้วยอะไรก็อวัยวะต่างๆมารวมกันอวัยวะนี่มันคืออะไรมันก็คือหลายๆเซลล์มารวมกันแล้วเซลล์นี่มันคืออะไรมันก็คือหลายๆโมเลกุลมารวมกันโมเลกุลมันก็คือหลายๆอะตอมมารวมกันอะตอมมันก็คือมีนิวเคลียสมีอิเล็ก tron โฟตอนนิวตรอนอยู่ข้างในรวมกันเป็นหนึ่งอะตอมในนิวเคลียสที่มันเป็นนิวตรอนโฟตอนมันก็แยกไปอีกว่าเป็นควาร์คควาร์คนี่จึงเป็นอนุภาคหน่วยเล็กที่สุดที่นวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเขาแยากลงไปได้วิืิอจะให้รู้ว่าอะไรมันประกอบกขึ้นมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอาหารจานหนึ่งรถคันหนึ่งอย่างที่ว่า ก็แบ่งแยกออกได้จนถึงอะตอมจนถึงควากนั่นแหละเล็กสุดเป็นธาตุที่เล็กที่สุดที่เขาคนพบกันในปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นรูปประทามจับต้องได้ของแข็งของเหลวแกส๊สหรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมในการคําสอนของพระพุทธเาที่ท่านแบ่งไว้หน่วยเล็กที่สุดนี่เรียกว่าธาตุธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุ ถ้าเป็นลักษณะของแข็งก็ถาดดินถ้าเป็นลักษณะของของเหลวก็ถาดน้ำเป็นลักษณะของที่เป็นความร่างก็ถาดไฟเป็นลักษณะของเป็นลมลาดไหวไปได้ก็ถาดลมยังมีอากาศทธาติคิธาช่องว่างยังมีวิญญาณนาธากิธารู้ซึ่งเหล่านี้คือนามนอกจากรูปแล้วก็ยังมีนามด้วยนั่นคือวิญญาณาา ท่าต่างๆเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังที่ทาาบอกว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้มีลักษณะที่อาศัยเงื่อนไขปัจจัยจึงตั้งอยู่มีลักษณะที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยจึงดับไปได้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นหรือไม่ ลักษณะความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตนั้นมันตั้งอยู่แล้วอย่างนี้ลหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาของมันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมมติตาธรรมมติตาตรฝั่งหมายถึงที่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ของมันยังค่ำยังวันเราบอกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกก็แงอยู่แล้วก็เรียกทิศนั้นว่าตะวันออก แต่สมมติวันใดวันหนึ่งพระอาทิตย์มันไปขึ้นทางทิศตะวันตกใช่ปล่ะเราก็ชื่อเรียกทิศนั้นว่าทิศตะวันออกอยู่ดีอ่ะเพราะยังไงยังไงพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวันออกไงก็เปลี่ยนชื่อเรียกก็ได้ชื่อให้มันสอดคล้องกันใช่ปะก็เขาจะเอาอย่างเนี้ยคือก็มันเป็นอย่างเนี้เออเขาจะเอาอย่างงี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างงี้แต่ยังบอกว่าสิ่งเป็นกดตายตัว แห่งธรรมดาอย่างง่ายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่ว่าเป็นกฎตายตัวนี้สิ่งที่ว่าเป็นธรรมดาก็มันอย่างนี้สิ่งนี้นั้นนั่นน่ะจะถึงความเป็นอย่างนี้เท่านั้นคือเป็นตาตาตาจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นอวิตาตาตาแล้วก็จะไม่เป็นไปโดยประการอื่นคือเป็น อนัญญาถาตาพราะอะไรทูฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ของมันด้วยความที่มันอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยทุกอย่างในโลกนี้แหละสิ่งนี้นั้นเรียกว่าเป็นอิทธา ป, ป จ, จยตาอะไรบางาตัวเราเนี่ยแหละทูฟังตัวเราเนี่นะเกิดมาจากมารดาบิดานะเกิดมาจากพ่อนี้แม่นี้เอาก็เรียกว่าคุณเอานา้ำสกุลนี้แล้วกัน เราก็ทํามีสองสามคนก็เอาชื่อนี้ไปใช้ด้วยมีชื่อเรียกมีนามสกุลเขาก็เรียกว่าเด็กหญิงแดงเด็กชายขาวนามสกุลเหลืองอถ้ามีอวัยวะนี้เขาเรียกว่าเป็นเพศหญิงมีอวัยวะนี้เขา้าเรียกว่าเป็นเพศชายสมมติเรียกไงตามเหตุเหตุว่าก็าเป็นพี่ก็ชื่อนี้แล้วกันแต่เป็นน้องก็ชื่อนี้แล้วกันแล้วก็ท่า เกิดมาจากพ่อนี้แม่นี้เราก็เป็นนามสกุลนี้ก็แล้วกันแต่คนอื่นพ่ออื่นแม่อื่นก็อีกนามสกุลหนึ่งไปเอาสมมติไงสมมติตามอะไรก็ตามเงื่อนไขปัจจัยที่เขามีมาเนี่แหละพ่อแม่นี่อย่างที่ว่านี้สมมติเรื่อชายหรือหญิงเอาไปะดาอีกภาษาหนึ่งก็เป็น male female จะเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ตาโปจาโปก็ว่าไปสมมติเรื่องตามเงื่อนไขปัจจัย ของสิ่งที่เรียกนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งกันมานั้นไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องภาษาคนอี ก, กแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องบุคคลผสมกันเข้าไปด้วยอีกคนอี ก, กแบบนี้สมมุติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยความเป็นสมมุติเรียกเนี่ยเงื่อนไขแบบเนี้ยมันอาศัยเหตุปัจจัยไงเอาแล้วถ้าเราจะสมมุติเรียกอย่างอื่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาก็ต้องสมมติเรียกอยู่ดีใช่ไ่ะ ตามอะไรอะ่ะก็ถ้าฉันจะสมมุติเรียงเอาตามเวลาเกิดได้ไหมอะ่ะได้คุณก็ไปให้หมอดูเขาดูกําหนดชื่อเกิดแล้วก็เรียกชื่อกันเอาตามอันนั้นได้หมดอะ่ะเพราะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยไม่ว่าเหตุปัจจัยนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องบุคคลก็เรื่องการเมืองเรื่องสีเรื่องเพศเรื่องได้หมดะ่ะเพราะอาศัยเหตุปัจจัยหมดไงมันเป็นอย่างงี้นะมันเป็นอย่างนี้นะ รเราทั้งหมดนี่แหละท่านผู้ฟังไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดมาจากคันมารดาโตใหญ่ขึ้นมาได้ก็อาศัยอาหารน้ำที่บริโภคเข้าไปเวลาเรามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยแห่งโรคอันนี้พระอะไรถึงเโรคนี้มันมีเชื้อนี้เข้ามาเขาก็ก็เรียกชื่อว่าโรคบรรณี้โควิดเนี่ยหรือไข้หวัดอะหรืออหิวาตก็โรคอ่ะ พกนี้มีเชื้อทั้งสิ้นเลยเฮ้ยแต่ว่าโรคบางอย่างมันไม่ได้เกิดจากเชื้อนะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนี่มันไม่ได้มีเชื้อไนะโอ้โหก็ยังงสมมตดเรียกกระบวนการการทํางานที่ผิดพลาดนั้นถ้าเกี่ยวกับระดับอินซูลินก็เรียกว่าเป็นเบาหวานนี้ภาษาอื่นก็ไม่ได้เรียกเบาหวานนะนี่เฉพาะภาษาไทยภาษาอื่นเขาเรียกว่าหนักหวานคือตาม เงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นไม่เปลี่ยนก็เรื่ออย่างนี้ไปลักษณะที่ว่าตามการปรุงแต่งนี่แหละท่านผูั ง, งคือมันอาศัยปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราเกิดมาจําความได้โอเคมันก็ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกอย่าง ไม่วจะชื่อเรียกจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อาศัยเงินกลายเปันใจตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่มาก็เป็นอย่างเงี้ยมาแล้วนะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าก็เป็นอย่างงี้มา Leah. แล้วล่ะแล้วก็ตั้งแต่รุ่นปู่ทวดยายทวดก็เป็นอย่างเงี้มา Leah. แล้วล่ะแล้วก็ยิ่งกว่ารุ่นของทวดของทวดแล้วก็โคตรของทวดไปอีกก็เป็นอย่างงี้มาละโอ้โหเป็นอย่างงี้มา เป็นล้านล้านล้านล้านของปีโอยแม้แต่ว่าตอนที่โลกนี้มันยังไม่อุบัติขึ้นนะมันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วนะโลกนี้อุบัติขึ้นได้เพราะอะไรนี่เขาก็ต้องมีอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงมีอาศัยการปรุงแต่งเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงเกิดขึ้นมีอยู่ดำรงอยู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยไปเนี่ยมีการวิวัฒนาการมีการเสื่อมลงเพราะเงื่อนไขปัจจัย มันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่มาตั้งนานแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดการช้านานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปด้วยจะไม่ผิดจากที่เป็นอย่างนี้ยังไงอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเพราะว่าถึงแม้มีประการอื่นมาอีกมันก็เป็นเหตุปัจจัยอื่นที่มาให้เปลี่ยนแปลงไปเอกไงการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยอาศัยแล้วจึง เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นดับไปนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆตรรมฝังเป็นธรรมดาเป็นกฎเป็นนิยามที่เราเรียกว่าเป็นอิทัพปัจเจตาเป็นกฎเป็นนิยามที่เราเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราใครครวดนะธรรมังใครกรวดให้เห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออก การที่เราพิจารณาไรกรกลวนไกรตรองให้เห็นความไม่เที่ยงในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี้หรือว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมเป็นการที่เราเจริญอาณาปานสติให้เห็นความไม่เที่ยงด้วยแม้แต่ลมหายใจของเราทุกฝังจะหายใจเข้าหายใจออกมันมีมาได้ไงเน มันต้องอาศัยเหปัจจัยคืออากาศที่เคลื่อนที่อากาศยู่เฉยมันไม่ใช่ลมหรอกมันก็เป็นอากาศเฉยใช่ไหล่ะจริยว่าช่องว่างก็ได้แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงของความดันของความกดอากาศมันก็จึงเคลื่อนไปตรงไหนร้อนมันก็เคลื่อนนี้ตรงไหนเย็นมันก็เคลื่อนเข้าหาตรงไหนมีความกดอากาศสูงมันก็หนีตรงไหนมีความกดอากาศต่ำมันก็ไปหา ตรงไหนรเร็วมันกด น, นี้ตรงไหนช้ามันก็ไปเพราะมันมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้สิ่งนั้นจึงเรียกว่าเป็นลมทำไมเรียกลมอ่ะเขาก็มันมีการปรุงแต่งตามเงื่อนไขยอย่างนี้ไงจังหวะที่กระ บ, บังลมเราดึงลงมันมีความกดอากาศต่ำในตอดของเราอากาศภายนอกมก็เคลื่อนเขา่ามันก็เป็นลมหายใจเขาจาังหวะไหนก บ, บังลมเรามันเคลื่อนขึ้น ความกดอากาศข้างในปอดเรมันสูงมันก็ดันลมออกไปก็เป็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เกิดมีตามอะไรเนี่ยเ็าตามจงังหวะการขยับของกระบังลมจะบีบหรือจะดันอยู่แขนันึองให้เกิดลักษณะความกดอากาศที่แตกต่างกันสมมติข้างนอกนี้มีความกดอากาศสูงโอ้บางทีหายใจเข้าหายใจออกลําบากมากหรือในทางตรงข้ามที่ที่มีความกดอากาศต่ำ ม, มากๆ เช่นบนยอดเขาพวกคนที่ก็หายใจลำบากเหมือนกันลมหายใจเองก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยอย่าเลย น, นะทุกฝังอย่าเลย อ, อย่าเลยไปตามเรื่องราวต่างๆอย่าเลยไปตามเสียงอย่บเลยไปตามความคิดนึกแต่ให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมแม้ข้าพเจ้าเองก็ตามวกฟังพูดอยู่กับทรรมฟังก็ต้องตั้งสติไว้อยู่กัลม ไงั้นมันก็คิดไปเรื่องอื่นนะมันก็เผลอไปเราต้องไม่เผลอเราต้องตั้งสติไว้เอาเราพูดไปอารมณ์ห้ยใมันอยู่ตรงไหนบองคนจะพูดมันก็ต้องหายใจไว้ด้วยใช่ไหมละ่ะสัมปัติอาจจะไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกแต่ตั้งสติไว้นะที่ตำแหน่งเดิมบางครั้งท่าูฟังอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมปัติได้ตลอดเวลาหนึ่งจบว่าพอจิตเราระงับลงระงับลงเริ่มเป็นสมาธินี่ ความละเอียดของจิตมันนีมากทำให้สัมผัสที่เรารับเนีมันน้อยมากนิดเดียวก็ไว้ที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องไปหายใจแรงๆขึ้นมาอีกไว้ที่ตำแหน่งเดิมแล้วใครใ่ควรวนวิจรารณาว่าแม้ราหม่ใจที่มันเหมือนหายไปดับไปมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือความที่จิตเรละเอียดลงบ้างหรือความที่ร่างกายของเราต้องการออกซิเจนน้อยลงบ้าง มันก็ปรับตามปัจจัยเงื่อนไขของเขาลักษณะที่เราเรียกสิ่งที่ตามเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนชื่อมันตามปัจจัยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปสมมุติเรียกดูฟังสมมติเรีย ก, นะ ด, มมยกดูอย่างกางเกงเสื้อผ้าที่เรามาใส่มาสวมนี่นะที่ระเจะงงมากมากเลยเนีย่ว่าเอ้าก็ถ้าผ้ามาจากพัพเดียวกันเนี่ย ประสงค์นี่เอามาตัดแบบนี้เรียกว่าสมองเอาไว้กลุ่มเฉพาะท่อนล่างเอามาตัดแบบนี้ต่อกันอย่างนี้เรียกว่าพาจิวอนไว้หม่มแล้วก็ถ้าเอามาผ้าบานี่หนาๆหน่อยก็เรียกว่าสังกติเขาก็ผ้าจากพับเดียวกันมาเนี่โอยอย่าไปต้องว่าพูดถึงจากพับเดียวกันเลยสียังสีเดียวกันเลยเนื้อผ้ายังแบบเดียวกันเลยแต่เรืยคนเราชื่อแล้ว เอาไงงั้นนะตัวเรานี่กางเกงเนี่อังเกงเสืเกงจากผ้าพับเดียวกันกับเสื้อนั่นแหละแล้วก็จากผ้าพับเดียวกันกับกระโปรงด้วยเอาไงเรียกกระโปรงไหนเรียกกางเกงแล้วไงก็เรียกเสื้อเืองจริงมันคืออะไรกันแน่คือผ้าผืนเดียวกันพับเดียวกันเนี่ยนะอำมาตัดตรงนี้เย็บตรงนี้ทำช่องอย่างนี้ ทำช่องอย่างนี้ถ้าสวมจากข้างบนมีแขนมีคออ่านี้คือเสือ้อถ้าสวมจากข้างล่างถ้มีขาก็เรียกของเกงถ้าไม่มีขาก็เกรียกกระปรงกแล้วมันไม่ใช่ผ้าหรอมันก็คือผ้านั่นแหละแต่ว่าพอมีเงื่อนไขรปรัจจัยอื่นคือการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปก็สมมุติชื่อใหม่ทับลงไปอีกก็ผ้านี้ทําเป็นเสื้อไงผ้านี้ทําเป็นขางเกงไงผ้านี้ทําเป็นกนระโปรงไง โอ้เอาแล้วถ้ า, าว่ามันเก่าแล้วแล้วเสื้อเราก็เอาไปไม่ใส่แล้วเอาไปเช็ดพื้นเราก็บัญญัติทับลงไปว่ามันคือผ้าเช็ดพื้นเป็นผ้าขี้ริ้วที่ทำมาจากเสื้อที่ทำมาจากผ้าให้ดูขน้นแล้วผ้านี่ทำมาจากอะไรนะก็ทำมาจากได้ไงแร้ามันคือได้หรือมันคือผ้ากันแน่นี่จะไม่เข้าใจกันเลยเหรอเอาตังตีดี ๆ, ๆ, ๆไม่ยากเกินความเข้าใจนะระวัง เพราะเราอยู่กับมันมานานแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาสอนหรือไม่บอกสอนก็ตามไม่ว่าท่านจะบอกสอนไว้น้อยหรือบอกสอนไว้มากก็ตามอย่างไงยังไงก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยของมันอย่างเนี้ยไม่เป็นไปโดยประการอื่นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไปตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่ง แต่ที่บางทีเราไม่เข้าใจบางทีเราไม่รู้บางทีเราไม่ได้สังเกตเห็นเพราะเราลืมไปมีอวิชามาบังไว้ทําให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็เพราะว่าไม่ได้สนใจจะรู้ไม่ได้สนใจจะเข้าใจไม่สนใจเรายอะลืนไปตามอะไรตามการปรุงแต่งนี่เพราะเราเลิ่นไปตามการปรุงแต่งเราเลยลืมไปลืมไปเพราะเลินไป พอลืมไปแล้วเลยไม่ได้สนใจที่จะมาใส่ใจรู้อวิชชาเป็นครอบงําทันทีไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาไม่รู้ว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างงี้ไม่รู้ว่าทําไมมันจะเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ไปไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องมีการสมมุติมีการบัญญัติไม่รู้ว่าทําไมมันต้องอาศัยกันอะไรกันไม่รู้ว่าอะไรนะเราไม่ได้สังเกตดูไม่ได้สังเกตดูเพราะอะไรนะเพราะลืมไปลืมไปเพาอะไรนะเพราะเลินไปเลินไปตามอะไรนะ ตาหูหมูลิ้นกายใจที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ธรรมารมพอตอนเราปรุงแต่งไปตามเสียงปรุงแต่งไปตามกลิ่นปรุงแต่งไปตามความคิดแล้วเราเกิดเปลินใไปทําไมคุณเพลินไปงั้นได้นะเพราะพอใจพอใจไปตามอะไรคือการปรุงแต่งอย่างไงนะเอ้สมมุติเราเอาผ้ามาตัดเป็นเสือ้อใช่ไหมล่ะเอาตสวยงามมากเลย สวยงามมากเลยนะเสื้อตัวนี้สวยงามมากเลยนะก่างเก่งกระโปรงตัวนี้หรือพอเราเอาเงินไปซื้อของอาโทรศัพท์เรื่องนี้บ้านหลังนี้รถคันนี้จะเอาเงินไปเนี่ยปรุงแต่งลัษไปซื้อของซื้ออะไรมาแล้วช็อปมาแล้วเอฟมาแล้วมาแล้ววัางายพอใจไงเพลินพอใจภายในสิ่งนั้นที่เราเอฟมาที่เราซื้อมาที่เราปรุงแต่งขึ้นมา พอเพลินพอพอใจไปแล้วความเพลินความพอใจนั้นคือขู่ปาทานเพลินไปแล้วพอใจไปแล้วมันเป็นไงลืมลืมอะไรที่จะมาสังเกตดูสังเกตดูอะไรความจริงข้อนี้ไม่เห็นความจริงเรียกว่าอะไรโง่ไงอวิชชาอวิชชาคือความโง่อวิชชาคือความไม่รู้ให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพรมันเป็นอย่างงี้ กูจะให้มันเป็นอเออให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอไอที่มันต้องการให้มันเป็นอย่างอื่เพราะความเบิรลืมไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นัหลังๆคือเบิรแล้วลืมแล้วโง่แล้วมึนแล้ว อ, le le o, ล o, o, อย่าเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นไหมตอนที่เราปรุงแต่งแล้วเราพอใจไปตามการปรุงแต่งนั้นมันจะไม่เบิร ความเปลินความพอใจนั่นคือความยึดถือยึดถือว่าต้องเป็นอย่างนี้ยึดถือมันต้องเป็นของเรายึดถือมันต้องเป็นตัวตนเป็นอัตตาแต่จริงๆสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาโอ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมคืออย่าเพลินอย่าเข้าใจผิดคืออย่ามีอวิชชาให้เข้าใจให้ถูกคือมีวิชาให้ไม่ลืมคือมีสติโดยการเริ่มจากเลืหมายใจ หลบไม่ใช่คืออานาปานสติให้เกิดทั้งสมถะและวิปัสนาได้ตั้งสติของเราไป้ดีใครกลัวตอบผิตรองฟังว่าถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุตินะตามเงื่อนไขปัจจัยนี่สมมุติมันก็พระปรุงแต่งเปลีย่ยนชื่อเรานี่ชื่อเราตอนเราเป็นเด็กเราได้เลือกชื่อเราบัดมูฟังไม่เลยพ่อแม่เลือกให้ มึงดีพ่อแม่ก็ไปพึ่งพ ร, ะ, ระด้วยให้พ ร, ะ, ระเลือกให้ก็ตามความเห็นของคนเลือกไงตามความเห็นของคนเลือกตามความเห็นของคนปรุงแต่งแล้วคนปรุงแต่งชอบอย่างนี้เขาก็เลือกเชื่อนี้ทำไมก็เรียกสีส้มว่าสีสม้มอ่ะมันเหมือนลูกส้มไงแล้วทำไมลูกอันนั้นเขาเรียกว่าสม้มอ่ะก็มันสมมุติมาอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนแหละ ตามคนปรุงแต่งที่เขาเรียกคนแรกเอ้าทําไมคุณไม่เรียกสีแดงว่าเลือดอ่ะเพราะเลือดเราก็สีแดงป่ะทำไมเรียกสีส้มว่าส้มตามผลส้มอ่ะจะเรียกสีม่วงว่าชบาได้ไหมก็ตามดอกชบาโห้ยยิ่งปวดหัวหนักละ่ะเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนจะสมมุตมิน่ะคือความเห็นไงบัวหวังสมมุติมันผู้การปรุงแต่งมันก็ตามความเห็นของคนคนอยากเห็นอย่างยิ้มก็เป็นอย่างนี้ เน opinion, เป็นความเห็นซึ่งถ้าบอกว่าเป็นความเห็นแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงล่ะไม่ใช่ความจริงก็ไม่ใช่สัจจะไงไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงเราจะมึนเราจะงงเราก็จะวนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถพ้นไปจากมันได้เพราไอ้ความมึนความงงความไม่เข้าใจคือความไม่รู้เกี่ยวิชามันก็จะบิดบังไว้ให้เราไม่เห็นเล้วแถมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับไปเพ้อนี้ ดยท่านผู้ฟังนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยกันมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ลืมลมไปกี่ครั้งแล้วเออบางคนจําได้ไม่ลืมก็ดีบางคนลมหายใจหายไปแล้วแต่ยังมีสติอยู่ไม่เพลินไปตามความคิดไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพอื่นที่ผ่านมาผ่านไปดี่มากเพราะความเพลินนมันคือตัณหาตัณหามันทํางานคู่กับอวิชชาคู่จีก็ เ, เราให้เพลินไป ให้หนีไปจากจุดนี้ไม่ได้เพว่าเพลินไปในหมายถึงมันลืมไปไงลืมว่าเรากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่ลืมว่าเราจะจดจ่อมาที่ไหนพอลืมไปเพลินไปนั่นคือตัญหามันดึงเราไปตามเรื่องอื่นแล้วที่ว่าเราจะมาจดจ่อทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งลืมไปแล้วปัญหามทําหน้าที่นี้เลยคู่กันกับอวิชชาให้เราไม่รู้เวลาเราจะมาจดจ่อเรื่องใดเอมันเป็นยังไงนะไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นอวิชชาบางไว เี๋เด้อลืมไปอีกเพลินไปอีการอันตรหาทำงานละเหมือนสุนัขตำรวงเป็นเบรดเทียบผูกูกไว้ที่เสาหรือหลักเวลามันจะยืนเดินนั่งนอนมันก็ไม่เกินความยาวของเชือกที่รัดคอมันอยู่รัดไว้แน่นด้วยนะเน่นคือเงื่อนมันแน่นมันแก้ยากแต่ผูกไว้หลวมๆผูกด้วยเงื่อนที่แน่นมากนะแต่อีช่อง ระหว่างคอกับเชือกไม่ให้มันรัดจนหาใจไม่ออกหลมุมวมความยาวของเชือกก็คือตันหาความที่มันห ล, มหลวมๆให้เราไม่รมู้ว่ามันผูตรงไหนความไม่รู้นะั่นคืออวิชชาเป็นตัญหาและอวิชชารัดและบงังจิตของเราอยู่รัดให้เพลนไม่จดจ่อได้บังไว้ให้ ไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเราจึงจะต้องอันดับแรกคือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นที่มันผูกจมูกเข้ากับกลิ่นอยู่เนี่ยผูกใจเขกับธรรมารมอยู่เนี่ยผูกหูเข้ากับเสียงนี่หูเนี่ยมันรับกลิ่นไม่ได้นะมันไม่ได้ผูกกันตรงนั้นแต่หูเนี่ยมันผูกอยู่กับเสียงตามอะไรนี่มันผูกกันไม่ได้ไงี่เพราะกรรมไง มันผูกเราไว้แล้วหูของเราเนี่ยต้องมาอยู่ที่กายนี่จิตของเราต้องมาอยู่ที่กายนี้มันผูกมาด้วยกรรมให้ได้ต้องเห็นภาพนี้ให้ได้ต้องยินเสียงนี้คำเกล่ า, านี่แล้วมันทําให้เรามาเกิดได้อัตนาแบบนี้แบบนี้มีเงินตอนมีสปาวา่ามีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ถูกล็อกขังอยู่ในนี้เพราะกรรมส่งมานอกจากถูกผูกไว้ด้วยกรรมแล้ว ซึ่งเป็นส่วนของตันหาแน่นอนยังผูกบังไว้ให้ด้วยถ้าวันไหนเราเออไม่เพลและฉันพยายามตั้งสติไว้นะจดจ่อดูซิว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นความที่มนปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยใช่ปะละ่ะมันมีความไม่เที่ยงเปลีป่ยนแปลงไปได้นี่เฮ้ทต่มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างเี้ยคือเราก็จะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้นะามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะ มันต้องอใัยเงื่อนไขปัจจัยนีย่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นมาทั้งชีวิตมันคือความเห็นไงที่เราเห็นมาทั้งชีวิตมันคือการปรุงแต่งไงที่เราเห็นทั้งชีวิตมันคือเรื่องสมมุติไงพอจะมาเข้าใจเรื่องความจริงเรื่องสัจจะเรื่องวิมุติมันจึงเข้าใจยากเพราะมันเป็นวิชาคือความรู้วิชามันบางไว้ให้ไม่เห็นไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจสัจจะพระเราชินกับกัน ปรุงแต่งทิ่งกับการสมมุติมาตลอดคือมันหมายรู้สัญญาอย่างนี้มาแล้วไงพระพุทธเจ้าเนี่จึงมาสอนว่าไอ้สัญญาแบบใหม่นั่นก็มีนะความหมายรู้ความเข้าใจแบบใหม่นี่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็าตามเนี่ยยังไงลักษณะที่มันต้องปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นอย่างนี้แหะท่านจึงมาบัญญัติให้เป็นความรู้ไงทุกฟังให้เป็นความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆตรงเนี้ย ก็เรียกว่าความจริงนะอ๋อความจริงจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือนี่ความจริงจริงๆตรงนี้เรียกว่าอย่างนี้คือความจริงอย่างนี้เรียกว่าชื่อคืออิทธปัญญตามันเป็นความที่สิ่งนี้สิ่งนี้อาศัยเป็นปัจจัยแล้วจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมันเลยเป็นของตัวมันเองคือการที่เราจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะทูกฝังมันต้องมีชื่อเรียกมันต้องมีการกําหนดดู เพราะว่าถ้าเราเรียกชื่อหรือไม่สามารถที่จะกำหนดมันได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นตัวตนเราก็จะเข้าใจมันไม่ได้เหมือนถ้าเราไม่รู้ปัญหาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเราจึงต้องรู้ปัญหาก่อนรู้ปัญหาแล้วจึงค่อยหาทางออกอ๋อมีทางออกทางออกมันจึงเกิดขึ้นได้ไงเรามีปัญหามันจึงต้องมาคู่กัน พระพุทธเาเข้าใจออเรื่องนี้ตอนเป็นโพลิษัทนะนั่งอยู่ใต้ต้นโพดิบวาใครคุรเรื่องนี้เฮ้ยถ้ามันมีสมมุตินี่นะเรากำหนดโน่นนี่โน้นนี่มันก็ต้องมีวิมุตติ ด, ดใช่ปะ่ะเออถ้ามันมีสมมุติมีความที่ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันก็ต้องมีบางสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปจัจจัยดิมันต้องมีคู่กันนะคิดว่า ง, งี้ คือเหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงไงนี่คือจิตของบริษัทนี่ที่พยายามจะค้นคว้าไตรตรองก็อะไรก็รนทาความเข้าใจและสิ่งนั้นมันคืออะไรกําหนดชื่อได้เฉยแต่ว่าแล้วจะยังไงให้มันยังไงมันไม่รู้นเนี่ยเนี่ยจึงมันหยัดความรู้ขึ้นมาคนเราพอถึงไม่รู้ไม่รู้อะไรมากๆแล้วไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรเรียกมันไม่ตัวไม่รู้นี่แหละก็แล้วกันนะไม่รู้เราก็ไม่รู้อะไรกำหนดเรื่องมันไม่รู้นี่แหละไม่รู้ล่ะ มันคืออันนี้เดี๋ยวกําจัดความไม่รู้ทำยังไงเนี่ยเราอาความรู้มาใสา่เอาก็เข้าบัญญัติเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆตามชื่อตามผ้าตามเสือ้อตามกางเกงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วไงมันคือความจริงกันแน่ถึงบัญญัติความจริงขึ้นมาว่าโอเคอนัตตาอนิจจาให้มันเรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นทุกข์นี่แหละ เพราะว่าไม่ว่ามันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเกิออนหน้าตาละเพราะอะไรนะหน้าตาคืออาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงมันคืออินทรปยาตตาแล้วมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งหรือว่าดับไปตรวจสอบดูนี้มันใช่ไหมใช้กับสิ่งนี้ได้ไหมเออได้ใช้กับเวลานั้นได้ไหมได้ใช้กับคนอื่นนั้นได้ไหมได้ใช้กับเรื่องโน้นได้ไหมได้ ความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละคือความจริงคือสัจจะตั้งคิดเรื่องนี้อยู่นานนะทุนฝังคิดอยู่นานตั้งอยู่ตายต้นโปนี่อ๋อสัจจะแบบนี้ถ้า จ, จากความจริงที่ไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นที่ไม่ใช่เป็นเพียงการปรุงแต่งตามเงื่อนไขปัจจัย แต่ไม่ว่าเงื่อนไขปัจจัยมันจะเป็นยังไงยังไงยังไงอนัตตามื่อืออนัตตาไม่ว่าเงื่อนไขปัจจมันจะเป็นยังไงยังไงไม่เที่ยงมันคือไม่เที่ยงนะอย่างเช่นว่าคุณเอาผ้ามาทําเป็นผ้ากี่ริ้วเราก็ตามการปรุงแต่งใช่ไหมลาา่ะไปใช้งานเราก็เรียกชื่อใหม่มันก็เป็นอ น, นัตตาอยู่ดีหรือว่าคุณเอาผ้ามาทําเป็นกางเกงมันก็การปรุงแต่งไงคุณเอาไปใส่ข้างหลังก็เรีงเกงมันก็เป็นอ น, นัตตาอยู่ดี เออเริ่มขอ้อตานะเริ่มที่วันมันจะเป็นจริงไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยสิ่งนั้นความที่มันอยู่เหนือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆเนี่ยคือวิมุตินะวิมุตินี่คือพ้นวิมุตินี่คือเหนืออยู่เหนือการปรุงแต่งแล้วอยู่เหนือการปรุงแต่งเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจสัจจะจึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วไงหวังอ ะ, อะไรที่มัน ไม่ต้องเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยเออฟังเขาท่านี่นี่นนมันจะเรียกว่าความจริงไงความจริงเนี่ยมันจึงอยู่เหนือการปรุงแต่งศาสตรจากความจริงในที่นี้คืออ น, นิจจังทุกขังนาตาเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสื้อเก่ ง, งสมมุติเรียกว่าอะไรก็ตามความที่มันอยู่เหนือจากเงื่อนไขปัจจัยนั้นเราเรียกว่าเป็นวิมุตติวิมุตติคือความจริง ความจริงที่เราเห็นได้ด้วยอะไรปัญญาไงความจริงที่เห็นได้ด้วยปัญญานี่ยคือความรู้เรียกว่าวิชาพอมีความรู้เพราะเห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วความไม่รู้มันต้องดับไปไงดูฟังอวิชชาต้องดับไปอวิชชาดับไปได้เพราะวิชาเกิดขึ้นใช้วิชาเกิดขึ้นเกิดเป็นปัญญาได้ที่เราต้องมีความมั่นคงนะ ก็มาจอดจ่อให้มันได้นิ่งๆให้มันได้เกิดความเข้าใจในกจะจอจ้อนิ่งๆมันต้องคือสมมาถานั่นแหละสมถาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติก็จึงมักพูดสติเข้ากันกับสมาธิเพราะมันต้องมาด้วยกันมีสติแล้วถึงจะมีสมาธิได้มีสมาธิแล้วมาใกล้ครวรมันก็จึงเกิดปัญญาขึ้นก็จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาแต่ในสตินั้นมีสมาธิอยู่ด้วย สติสมาธิปัญญาสติปัญญาก็คือสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คืออาณาปานาสติเราจะให้มีสติเกิดขึ้นได้ทำไงก็อาณาปานาสติไงอาณาปานาสติพอเรามาสังเกตลหมหายใจที่โดยมีฐานที่ตั้งทันทีไม่เลอเปลื่นไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่เผลเปลื่นมีที่ตั้งแล้วจิตมันก็ระงับลง ระงับลงนั่นคือความปฏิบัติเป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเอามาจดจ่อดูใค ร, รใใครุนดูด้วยจิตด้วยใจใครครุนดูด้วยจิตด้วยใจอาศัยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนดังแสงสว่างปัญญาเป็นเหมือนประทีปต่อมาจากไกลต่อมาจากพระพุทธเจ้าถ้าอาศัยลำพังเราคิดเองนะมันเรีรคิดข้อนี้ไม่ได้ว่าสมมติกัสัจจะนี่หร ทำไมมันต้องเป็นสัจจะนี้คือบางที่มันเพลินไปแล้วเลยที่กว่าจะมาคิดได้มันเพลินไปเลยดันั้นจึงแก้งโจทย์ตอบคำถามไว้ให้แล้วให้เราฝึกอย่างนี้ฝึกปัญญาตามแพทเทิร์นนี้ถ้าตามแพทเทิร์นอื่นไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าคุณจะมาคิดด้วยปัญญา Innovate เป็นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาว่าอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะอันนี้เป็นนิวเทคโนโลยีนะ นั่นก็เป็นปัญญายุแต่มันไม่ได้เป็นปัญญาโลกรุตร้ายบนุกได้ก็เป็นปัญญาตรมหากินมันได้คิดไปนั่นนี่คิดยาพิดคิดอาวุธขึ้นมาอีกโอ้ยยิ่งบาปมากไม่ดีแต่ปัญญาที่จะให้เกิดเป็นลักษณะของการพ้นทุกนั้นต้องต่อมาจากพระบุญชาวเท่านั้นทหมฟังแสงสว่างนี่ต่อมาถ้าในดูเห็นด้วยแนวนี้ แนวนี้ไม่ใช่วันแนวอะไรอื่นนะคือแนวนี้นี่คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกข์องอนัตตาแนวนี้เท่านั้นแนวว่าให้เห็นว่าไม่เที่ยงในปัญญาแนวว่าให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้มันคงอยู่ไม่ได้อย่างเดิมนั่นคือเป็นทุกข์แนวให้ด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นก่อนที่ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นก่อนที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะมันเป็นอนัตตาควรเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ความเข้าใจด้วยปัญญานี้ต่อมาจากพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยจะได้ไม่เกิดความผลกบิมุตอยู่เหนือแล้วไงอยู่เหนือจากการควบคุมอยู่เหนือจากการกป็ท็ของสิ่งต่างๆหมายถึงไงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะเป็นเสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้ได้หมดไม่มีปัญหาเพราะอะไรนะ พราะจิตขอเราไม่เปลี่ยนไปตามเสื้อนั้นกางเกงนั้นทำไมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามีสติประกอบด้วยปัญญาแล้วเห็นจะไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนี้มากระทบไม่ว่ามันจะดีมันจะร้ายมันจะให้เกิดความปอใจหรือความเสียใจไม่สะดุง้งละการไม่สะดุ้งนี่คือการที่พ้นไงคือวิมุต น้อมกันมาที่จิตของเราเหมือนกันตรงฝั่งตื่นต่างปายนอกมาตอนนี้เข้าสู่จิตของเราในตัวเราเนี่ก็เป็นอย่างงี้ธาตุสีเป้ํา้ำไฟลมสิ่งที่เป็นของแกงของเหลวก a s ในใจเราก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นน้ําก็มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้จะอยู่ยั่งยืนตลอดกาลเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เป็นไม่เป็นนะ ร่างกายของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่นะหรือแม้แต่จิตของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่นะจิตของเราที่บางคนนี่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแก่เลยคือกายเนี่ยมันแก่อยู่ก็จริงอ่ะเข้าใจอายุแต่ว่าจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อสิบปีที่แล้วจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วจิตฉันมันก็จิตเดิมเมื่อหกสปีที่แล้วจิตเดิมจิตนี้มันมาตลอดที่ว่าเดิมเดิมเนี่ย แม้แต่ว่าวินาทีนี้มันก็ไม่เดิมแล้วเพราะกายของเราเนี่ยตูฟังเลยเราจะเห็นความแก่ในช่วงยี่สปีได้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมใช่ไหมจิตก็ที่เราดูว่ามันเหมือนเดิมแหะจริงๆแล้วมันเหมือนกายเหมือนกายตรงไหนเหมือนกายตรงที่ว่ากายของเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการตายไปมีการเกิดขึ้นอยู่ตอลอดเวลาของเซลล์นะนาทีเดียวเนี่ยเซลล์นี่ตายเป็น พันพันหมื่นหมื่นตัวนะแ้วทีเดียวเนี่ยเซลล์นี่ก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นพันพหมื่นหมื่นตัวนะในร่างกายเราเนี่ยแล้วทำไมเรายังไม่ตายอ่ะเาเซลล์มันตายเซลล์มันตัวเล็กนิดเดียวถตามันมีตายมากกว่ามีเกิดดิร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมโทรมไปเงจังหวะไหนมากกว่านี้มากมากเลยเกิดไม่มีเลยมีแต่ตายตายด้วยความรวดเร็วคุณก็ตายตัวเองตายเข้าลงอ่ะ ตายแบบเข้าลงไม่ใช่ตายเฉพาะแบบเซลตายความที่ว่าร่างกายของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงในความที่เซลตายไปยิบยับยิบยับไปหมดตัวร่างกายจิตใจเราเหมือนกันดูวังจิตเรามีการเกิดดับมีการเกิดดับตามปัจจัยคือถ้ามีหูหลือมีเสียงจะเกิดว่าบขึ้นในช่องทางใจถ้าเสียงดับไป ต่อให้มีหูก็ตามความว่าบขึ้นที่เราจะรับรู้เสียงนั้นดับไปแล้วเกิดดับเกิด ด, ดับอย่างนี้จิตเราที่จะไปสวยอารมณ์ที่ผ่านมาทางเสียงมันก็ดับลงถ้าเสียงนั้นดับไปถ้าเสียงนั้นมีมาใหม่จิตก็เข้าไปสวยอารมณ์ก็เกิดขึ้นใหม่ดับไปเกิดขึ้นอย่างนี้เลยนะรถอาหารดูคุณชิมรสเค็มรสเค็มบาดตรไหนเข้าไปทางลิ้นพอมีรสมีลิ้น มันมีการรับรู้ทางลิ้นละเกิดขึ้นละพอเรากินน้ําดื่มเอรถเข็มไายไปละเอารถเข็มไม้ไปจีก็ดับไปที่ไปรับรู้รถเข็มนั้นอามีการรับรู้รถจืดามาร์กระตบใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่รับรู้ใหม่อีกเกิดดับเกิดดับนี่ เ, เร็วมากจิดใจของเรานะในช่องทางใจเวลามันเกิดดับก็ตามภาษาที่มารกระตปจะชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นดับไป ตามแต่ที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วจนทำให้มันดูเหมือนเป็นกระแสขึ้นมาเลยเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันไปอันเดียวหนึ่งกันไปเหมือนอย่างกระแสไฟเหมือนอย่างกระแสน้ำกระแสน้ำเนี่ยนคือ H2O เป็นโมเลกุลเล็กๆอยู่กันเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นน้ำแล้วมันไหลไปมันก็จะเป็นกระแสเราก็เรียกมันว่าเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยแต่แม่น้ำนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นสาย เป็นเส้นเป็นทอ่อนะไฟฟ้านี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไหลไหลไปงี้นะแต่มันคือพลังงานเฉยๆ่ะไฟฟ้านี่น้ำเนี่ยที่มันไหลไปมันคือพลังงานสักนะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนนะแต่มันใช้น้ำที่เป็นตัวมีเดี่ยมเฉยๆนะเป็นสื่อเฉยๆมันจึงเรียกว่ากระแสน้ำมันใช้เอิเล็กตรอนเป็นสื่อเฉยๆมันใช้โลหะเป็นสื่อเฉยๆจึงเรียกว่าเป็นกระแสไฟบัวเรานี่ เป็นสื่อเฉยๆอาศัยดินน้ำไฟลมมาเป็นสื่อของอะไรของอะไรที่มันมาเกาะ น, นี่แหละอะไรที่มันมาเกาะ น, นี่คืออะไรจิตไงจิตเนี่ยอาศัยรูปตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ได้มีรูปเป็นที่ทางอาศัยมีวิญญาณเป็นที่เข้าไปซ่องเสจิตนี่มันจึงตั้งอยู่ได้จิตนี้มันมาอาศัย เวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ได้ไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวยังอาศัยสิ่งที่มันนามด้วยคือเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณเข้าไปซ่องเสพจิตจึมันจึงไปก้าวลงในรูปผ่านทางวิญญาณการรับรู้นั้นได้จิตจึงก้าวลงในเวทนาสัญญาสังขารผ่านทางวิญญาณคือการรับรู้นั้นได้มันมาอาศัยเฉยๆอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขาร เป็นมีเดียมเป็นสื่อแต่ท่านผู้ฟังรู้แบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจิตเนี่ยมันไม่มีนะเหมือนกระแสน้ำหรือกระแสไฟฟ้าที่จริงๆแล้วมันไม่มีมันก็คือแค่พลังงานที่อาศัยน้ำเป็นสื่อคือพลังงานที่อาศัยโลหะเป็นสื่อจิตจริงๆไม่มีคือความที่ว่าวิญญาณกับสิ่งที่วิญญาณไปก้าวลงอาศัยเป็นสื่อเท่านั้น การทํางานของขันห้ามันมีกุกกกกัเนี่ยมันจึงดูเหมือนเป็นจิตขึ้นมาจิตจริงๆแล้วไม่มีทูกฝังมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นเหมือนภาพลวงตาเฉยๆเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอาศัยขันห้าเป็นสื่อเฉย ๆ, ๆสิ่งใดนะทูกฝังนะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยง มันเป็นอย่างนี้อยู่มานานแล้วเป็นอนัตตาเป็นกฎอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยควงหรอควรไหมคิอว่าถ้าเราจะยึดถือจิตนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวส่วนของเรานี่พระพุทธเจ้าถามนะคือท่านก็คิดเองนั่นแหละคําถามเนี่ยท่านก็นถามตัวเองมาก่อนแล้วแหละแต่ตอนอยู่ใต้ต้นโพ นึ่งคืนก่อนการตรัสรู้ทีจ่จิตของเราเป็นอย่างเนี้ยลอยขึ้นดับไปเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเป็นสมาธิเดี๋ยวไม่เป็นสมาธิก็ถ้าจิตเรามันเป็นอย่างนี้เราเราควรจะยึดถือมันเป็นตัวตนไหมยึดถือว่าเป็นของเราไหมยึดถือว่าเป็นตัวเราได้ไหมคือมันไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนะ่ะมันไม่ควรโอเคไม่ควรแล้วต้องทําไง ก็ไม่ควรยึดถือก็ต้องวางมันซะอย่าไปยึดถือเจ้าจิตนี้ด้วยความเป็นตัวตนเข้าใจด้วยเหตุผลแต่คนเราไม่ดิม้มแลตัดสินใจอะไรด้วยเหตุผลงไงลำวังมันด้วยอารมณ์ชอบก็เอา้าไม่ชอบก็ไม่เอา้าด้วยอารมณ์ตัดสินใจมันจึงมึอนอยู่งี้เราจึงจะต้องอยู่เหนืออารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจด้วยการทำใจเป็นสมาธิไม่ใช้อารมณ์แล้ว ใช้ปัญญาไงอารมณ์มันจะทำให้เปลินอารมณ์มันจะทำให้ชอบใจไม่ชอบใจเราจึงต้องใช้เหตุผลเหตุผลนี่หมายถึงปัญญาใช้ปัญญาเกิดได้ต้องต่อมาจากพระพุทธเาตามแนวที่พระพุทธเาวิจารณาด้วยปัญญาเอาไว้จะคิดเองได้ไหมคิดเองก็ได้นะแต่มันจะไปเป็นเรื่องใหม่เรื่องอื่นทีไม่ใช่โลกุตระถ้าจะเป็นเรื่องโลกุุตระ เราอาศัยพระพุทธเจ้าหรือในสตรศรูได้ตามท่านได้ก็ตามแนวที่ท่านวางไว้เงินฉันจะทำเองจะเป็นแนวของฉันเองคุณก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าไปดิหรื อ, อยังบรรลุฌานนี้ไม่ได้แต่จะเอาตามเขาเอาเดี๋ยวนี้ก็ตามพระพุทธเจ้านั่นแหละง่ายดีง่ายๆไม่ยากที่ยากมันคือไม่ทําถ้าทําแล้วมันไม่ยากนะ เราแค่ทความเข้าใจตามแนวอริยสัจสี่ 4. ทำความเข้าใจตามแนวอ น, นิจจังทุกังนันตานั่นเป็นปัญญาเลยทุกฝั ง, งปัญญามันจะเกิดขึ้นให้เห็นจิตของเราด้วยปัญญาว่าอ๋อจิตของเรามันไม่เที่ยเป็ น, ปนาตุกป็นันตานี่นะไม่ควรที่จะไปยึดถือไวนะ้นะก็ต้องปล่อยวางมันซะอย่าไปยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนว่างความยึดถือว่าจิตนี้ของเราเสียวางด้วยอะไรว่างด้วยปัญญา ปัญญาที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเราจิตอยู่กอะไรจิตอยู่กับสติวางแล้วนี่อยู่กสติให้สติเป็นตัวตั้งอาไว้ไม่ลืมหลงหลงหมายใจหมายถึงถ้าลมมันเบาๆก็ไม่ลืมสติมีสติอยู่ให้ดูฟังรักษาสติรักษาปัญญาถ้าเรามีไว้นี้ให้ดี ไม่เผลอเลินไปตามภาษาต่างๆที่เราจะได้ไปพบเจอในทั้งวันนี้ดูฟังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ไวท่านมอบปัญญาเอาไว้ให้เราทุกคนให้เราเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นด้วยในช่วงของที่ต ว, วิเวกนั้นจะมาพบกับท่านบุฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6กโมงเช้า ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org หรือว่าในระบบพอดแคสซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไปบู์อาพิบุตรโนละลราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบาน